ทรงประชุมสงบ์บรรยัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบรรยัติศิกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์ส0ประการคือข้อที่หนึ่งเพื่อความรับว่าดีแห่งสง เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยข้อ2ถึงข้อ9ดูความพิสดารข้อห5 6้อห